อรู่กุามเหียงไม่ออกแล้วนะในปีแปดสามแปดนี้ไม่เคยได้ไประชุมเทศอบรมพระเนนบ้างเลยเพราะธาตุขันแย่ลงทุวันทุวันยังประคองตัวอยู่เท่านั้นก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมในสถานทีน่นี้จงตั้งหน้าตั้งตาพระพุทธปฏิบัติกำจัดกิเลสจริงๆอย่ามามั่วสุมสั่งสมกิเลสซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมเครื่องกำจัดปัดเป่ากิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมแย่ใดบุตใดเป็นธรรมสั่งสมกิเลสสำหรับผู้มาปฏิบัติตามมีแต่ธรรมแก้กิเลสชำละกิเลสสังหารกิเลสทั้งนั้นแต่แล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาแทรกมาแสง มาอย่างน้อยมาแบ่งสรรปันส่วนเอาจนได้ในความเคลื่อนไหวของใจนั่นแหละเป็นสำคัญเคลื่อนออกมาด้วยความคิดปลงใดๆมากจะมีกิดเดสแทรกออกมาก่อนเสมอที่ความคิดปรุงทางด้านธรรมะจะปรากฏตัวออกมาเพราะฉะนั้น จึงไม่ทันกันการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มรุ่ ม, มดอนๆแทนที่จะได้ผลคือความสงบร่มเย็นมาครองใจให้ได้รับความพักสุขเย็นใจบ้างกลับได้แต่ผลของกิเลสคือความรุ่มร้อนความทุกข์สมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเสียมากต่อมากอั่งนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่เห็นผลเห็นประโยชน์ อย่งใดจากการปฏิบัติของตนมีแต่ปกิเลสปฏิบัติหน้าที่ของมันเสียทายเดียวธรรมะนั้นมีเพียงชื่อเพียงนามเพียงตั้งความสําคัญมัดหมายไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นนอกนั้นก็เปิดช่องเปิดทางให้กิเลสก้าวเดินขยําย่ํายีจิตใจของเราด้วยความคิดความปรุงต่างๆให้แหลกเล้วไปหมด ทำไม่ปรากฏในจิตใจเลยจะหาความสงบโล่งเย็นมาจากไหนผู้ปฏิบัติธรรมท่านเอาจิงเอาจังธรรมของรพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจริงยกอริยสัจขึ้นมาทั้งสีป่ประการนี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงนี้และผลิตมักผลขึ้นมา ให้ได้ครองใจเป็นความสุขสงบร่มเย็นโดยลำดับลำดาจนกระสั่งถึงวิมุตติพ้นจากออกจากหลักความจริงนี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจา้าเวลาแสดงออกมาเป็นอากัปกิดิยาประเภทหนึ่งประเภ ท, เทหนึ่งนี้ ล้วนแล้วทั้งแต่เป็นธรรมของจริงที่ออกมาจากพระไตรซึ่งทรงความจริงไว้เต็มส่วนแล้วแต่ผู้ปฏิบัติมันมีแต่กิเลสรุมล้อมหัวใจมาศึกษาอุรุได้ยินได้ฟังกิเลสก็แบ่งไปกินได้เห็นก็แบ่งไปกิน อะไรอะไรมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแบ่งสันปันส่วนเอาไปกินเสียทั้งนั้นทั้งนั้นพวกเราทั้งหลายไม่รู้เนี่ยที่ว่ากิเลสแหลมคมแหลมคมจงกระสังสัตว์ทั้งหลายตายใจไปไปเลยไม่ทราบว่าอากัศกิริยาความเคลื่อนไหวของตนที่เป็นไปอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งในเอียบุตรทั้งสี่นั้น เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสหรือเป็นไปด้วยอำนาจอันใดไม่ทราบซึ่งวันแล้วถแต่เป็นอำนาจของกิเลสพาให้แสดงทั้งนั้นแม่ที่สุดนักบวชนักปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาทางานแบบเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียนจึงไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเรื่องเล่อหลแหลๆนั่นก็คือเรื่องของกิเลส พวกเราทั้งหลายไม่ทราบไม่ทราบ ไ, ได้แล้เราก็ไม่รู้ว่าเราเหล่ะแหละด้วยนั่นเป็นท่านชั้นอย่างนี้จิตใจจะคึกคัก ข, ข, ขึ้นมาบ้างกับชั่วระยะประเดียวประดาวจากนั้นก็อ่อนตัวลงไปให้จิเหตุเจียบย่ำทำลายเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่าอ่อนตัววัตจักไม่มีคำว่าอ่อนตัว ส่วนธรรมาจักนั้นอ่อนได้อ่อนตลอดเวลาเมื่อยังไม่มีกำลังควรจะฟิดตัวหรือแข็งตัวได้ย่อมอ่อนต่อกิเีดตลอดเวลาและโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยว่าธรรมะของตัวเองได้อ่อนต่อกิเลสไปโดยลําดับลาดาเนี่ยมันสลับซับซ้อนอย่างนี้วัตจกักรวัตวนจะหมายถึงอะไร หมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงทั้งของสัตว์ทั้งของบุคคลอันมีกิเลสเป็นกงจักหมุนตัวอยู่ภายในของมันให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นรนกวดแกงร้อยกี่ปนา ะ, ะมีตั้งแต่เรื่องโกงจักของกิเลสทำงานทั้งนั้นบนหัวใจสัตว์ โดยที่สัตว์ทั้งหลายไม่ไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นเองให้จิเลมันเตะวิ่งไปวิ่งมาพลิกไปพลิกมามีแต่ความรู้ก็แบบเสดเดือนบุงกือรู้นั่นแหละความรู้ของเราทั้งหลายก็ดีไม่ได้รู้สำนึกทางโทษของกิเล ที่มาเตะมาถีบมายันเราแม่แต่อย่างใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือกว่าอันจึงเรียกว่าธรรมจักโอลเทียกว่าวัฏจักรหมุนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกตลอดมาและจะหมุนตลอดไปสมกับคําที่ว่าใจไม่ตายี่เศษเครื่องสิงอยู่ภายในนั้นก็ไม่ตายเมื่อไม่ถูกกําจัดมันเสียมเมื่รัยแล้วเป็นอันว่า จะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปคำว่ากิเลสมีความแก่ข้ามค่าชาราลงไปในกฎตามกดอนิจจังทุกขังอลตาอย่างนั้นไม่มีกฎนี้เป็นกฎของกิเลสโดยตรงกิเลส จ, จะยอมให้พ้นเงื้อมือของกิเลสไปได้อย่างไรอนิจจังก็เพื่อกกิเลสทุกขังก็เพื่อกิเลสเป็นผู้กอบโกยเอาผลไปเสียทั้งสิน้น อนตาก็เพื่อกิเลสทั้งนั้นนี่แหละเดี่ยวว่ากิเลสสวมรอยทมสวมอย่างนี้พวกเราทั้งหลายไม่รู้มันถึงสนุกหมุนตัวอยู่ภายใน จ, ใจิตใจหาเวลาว่างไม่ได้เลยสำหรับจิตใจแต่ละดวงละดวงที่คงจักคือกิเลสจะหยุดทำงานเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นเท่านั้นเป็นเวลาที่สงบตัวคือกิเลสสงบตัวไม่ทางาน ถ้าไม่หลับสนิทก็ยังต้องเลเมือเพื่อฝันไปต่างๆนานานี่ก็เพราะอานาจของเิยเศหมุนตัวไปเช่นเดียวกันเพียงขันล้นล้วนหมุนตัวไปนั่นเหมือนอย่างพระหันท่านฝันอย่างนี้ไม่มีความหมายอันใดเพราะขันอันนี้เป็นสมมุติย่อมฝันได้ เปลี่ยนแปลงตัวไปได้สงบตัวไปได้คำว่าฝันนี้ปุจจชนเรากับท่านผู้สิ้นชีเดตแลยวย่อมมีความฝันย่อมมีการฝันเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันกับขันที่มีชีเดชผูกมัดดัดลึงนั้นฝันไปด้วยอานาจชีเดตพัวพันติดดิน้นหรือผลักดันให้ฝันไปส่วนขันของประรหัตท่านฝัน ขันไปตามเรื่องของขันดีดดิ้นไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปดับไปเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็ดับไปพร้อมไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีอุปท า, านเครื่องยึดถือท่านจึงไม่เป็นไั่และท่านจึงไม่ได้รับความดีใจเสียใจจากความฝันนั้นว่ามาให้โทษให้คุณประการใดเพราะเป็นเหมือนกับหางกิงเล็บ ดิดดิ้นอยู่ตามธรรมชาติของตนที่ขาดจากตัวของมันแล้วก็มีอย่างนั้นเนี่ยความฝันนี้ก็ออกมาจากอํานาจของกิเลสดิ้ดดิ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าฝันแห้งฝันสดได้แก่ความคิดความปรุงนี่ตัวสําคัญมากฝันไม่มีเวลาหยุดจัง้งความโลภ ก, ก็ออกจากความฝัน ความอยากความโลภความอยากได้มีแต่ฝันสดๆทั้งนั้นความโกรธราคะทันหามีแต่เรื่องความฝันสดๆร้อนๆด้วยอำนาจของสมุทยัยมันหมุนตัวของมันให้ฝันไปอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ได้ฝันไปอย่างไรบ้างนี่ละอำนาจของกิเลสหมุนใจหมุนอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัตจักร และจะหมุนอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดหลุดพ้นกันไปได้เลยต้องเป็นไปอยู่ทํานองนี้ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้ากําจัดบาดปรามกันแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องหมุนมาชั้นใดหมุนไปชั้นนั้นไม่มีทางด้านใดว่าสั้นว่ายาวหมุนกันไปอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติแท้ อำนาจของกิเลสทำงานทำงานบนหัวใจสัตว์ทำจิตใจของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆนอกจากนั้นยังดันให้สัตว์ทำกรรมชั่วชา้าละมุกต่างๆอีกแล้วก็กลายเป็นผลแทรกขึ้นมาอีกให้รับความทุกข์ความลาบากลาบนแม้ว่าเกิดก็ไม่เกิดในสถานที่ที่เคยเกิดกำเนิดที่เคยเป็น เกิดในสถานที่ไม่ควรไม่เคยเกิดสถานที่ไม่เคยเป็นความทุกข์ความลำบากก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ซ้ากันถ้ากรรมซ้ำกันผลก็ซ้ำกันนี่เป็นคติของวัตจักรในหัวใจสัตว์โลกหมุนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าแก้ไม่ได้เมื่อไรแล้ว ใครจะว่าอย่างไรก็ตามธรรมชาตินี้จะต้องทำหน้าที่ของตัวอยู่อย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับทรมาแล้วอย่างใดการทำไปข้างหน้าก็เช่นนั่นเหมือนกันนี่ยังดียังมีการมีสมัยมีเวลาเวลาที่ทำมาโปรดได้แก่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นั้นแลยเรียกว่าทำมาโปรดมาทำลายกองจากของวัตจกักให้อ่อนตัวลงไม่ให้แข็ง แป่งอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนเหมือนไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่รับพระองค์พระองค์นั่นแหละคือเอาน้ํามาดับไฟผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรที่จะหลุดที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ในการเ ว, เวลานั้นก็หลุดพ้นไปหลุดพ้นไปดั่งศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายนี้พอมาตรัสรู้แล้วก็ ประกาศทําสอนโลกผู้ที่พร้อมแล้วซึ่งจะควรดูดพ้นไปได้แต่ประตูยังปิดอยู่เปิดไม่ได้เพราะไม่มีผู้มาเปิดได้แต่ไม่มีผู้มาสอนอัตธรรมให้รู้ทั้งๆังที่อุปนิสัยนั้นสามารถแล้วเหมือนกับวัวที่อยู่ปากคอกครอที่จะออกแต่ประตูยังไม่เปิดก็ออกไม่ได้ก็ต้องติดแจอยู่เช่นเดียวกันหมดทั้งตัวอยู่ณข้างในคอกทั้งตัวอยู่ที่ปากคอก ก็ติดแจอยู่อันเดียวกันไม่มีตัวไหนยิ่งหย่อนกว่ากันนี่สัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยก็ดีผู้ไม่มีอุปนิสัยก็ดีก็ติดแจอยู่ในวัตวนวัตจักรนี้จนได้นั่นแหละเมื่อทรรมยังไม่มาโปรดที่เรียกว่ามาเปิดปากคอกให้น้ำมาดับไฟเหมือนท ร, ร ม, มาเปิดปากคอกให้เดเวเมพิกเวอันตาปบาจิเตนานาเซวิตาบานั่นแหละคือเปิดปากคอก เป็นจกกัมกีที่พร้อมแล้วก็เลยบรรลุธรรมผึงผังถึงผังไปเรื่อยจากนี้ก็เปิดเรื่อยเปิดเรื่อยปากคอกสัตว์ต่างหลายก็ออกไปเรื่อยนี่แลผู้ออกโดยแค้์ติดคุกมานั้นเท่าไหร่คุกคือวัฏจักรติดมากี่กับกี่กันท่านเหล่านี้เพิ่งได้พ้นในเดี๋ยวนั้นในเวลานั้น แล้วพ้นตลอดไปไม่มีวันกลับมาก็คือท่านผู้พ้นกิเลสก็คือพ้นจากวัฏจักรวัตถวนแห่งกงจักรทั้งหลายที่มันหมุนเวียนอยู่นี่แหละพวกเราทั้งหลายยังนอนใจอยู่กับวัฏจักรอันนี้ที่พาหมุนมานี้หมุนมามากต่อมากแล้วนับได้ไม่ได้ไม่สาคัญเอาวงปัจจุบันทึ่หมุนอยู่ในหัวใจนี้เป็นตัวยืนยัน บรรดาพระพุทธเจ้าพระหันรู้ร้อยเปอร์เซนด้วยกันหมดในบรรดากิเลสที่หมุนตัวอยู่ภายในจิตใจให้เกิด เ, เป็นพบเป็นชาติสูงสูงต่ำๆ่ลุ่มอุ่นอนนอนเจือไปกับด้วยวิบากกรรมดีชั่วเป็นมาอย่างนี้ตลอดแล้วยังจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดคำว่าศูนย์ไม่ปรากฏในองค์แห่งอริยสัจนั่นเลยมีแต่ความหมุนอยู่อย่างนี้พิจารณาเข้าไป ย, ย, ยิ่งเห็นยิ่งชัด ท่านเห็นชัดนั่นแลท่านถึงทำลายกงจักรได้ถ้ามีแต่ปล่อยให้กิเลสมันหมุนตัวข้ามันอยู่มันก็เหมือนโลกทั่วๆไปเพราะใครก็ถูกกิเลสหมุนอยู่ในหัวใจให้เป็นวัฏฏะวนวัฏะจักเกิดแก่เจ็บตายสูงสูงต่ำาๆรุ่นๆนดอนเหมื อ, อนกันหมดเมื่อไม่มีธรรมเรียกว่ามรรคปาิปทามีมีสติปัญญาเป็นสาคัญที่จะอย่างทราบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างประจักษ์ แล้วสังหารกันให้ขาดสะบั้นลงไปเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปวัตจักรก็ขาดไปพร้อมๆกันเรียกว่าสมุทัยตัวสร้างทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายแล้วขาดสะบั้นลงไปนีโรธคือความดับทุกข์ก็ดับถึงขึ้นมาในขณะนั้นนั่นและผู้ที่ท่านพ้นจากแหล่งแห่งวัตทุกข์แห่งวัตจักรทั้งหลายซึ่งเคยหมุนเวียนได้รับความทุกข์ความทรมานมา ตั้งกี่กับกี่การ น, นับไม่ทว้วแล้วพึ่งได้มาหลุดพ้นในขณะนั้นแล้วจะหลุดพ้นตลอดไปเราควรนำมาคิดทั้งสองด้านนี้เรื่องวัตวนก็หมายเอาตัวของเราแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นี้โดยเฉพาะเป็นสำคัญวัตจักรที่กล่าวนี้อยู่ในหัวใจของเราทุกคน วิวัตจักรได้จะทํารมเราก็กําลังได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติกําจัดมันอยู่ด้วยความเพียรทุกท่าทุกทางควรจะได้เป็นคติตัวอย่างอันดีน่างามกําจัดกงจักอันนี้ให้อ่อนตัวลงอย่างน้อยกงจักอ่อนตัวลงใจก็สงบที่ท่านเรียกว่าสมาธินี่แหละกองกองจักของวัตวนที่มันหมุนฟุ้งเฟ้อเหอะคพนองตลอดเวลาได้สงบลงด้วยอํานาจแห่งสมาธิธรรม ใจก็มีความสงบเย็นเมื่อใจมีความสงบเย็นลงไปบ้างแล้วก็มีช่องมีทางคนเรามีทางคิดทางอ่านและเพิ่มกําลังความสามารถความอุตส่าห์พยายามเข้าไปโดยลําดับลําดาอํานาจแห่งความสงบของใจก็มีมากขึ้นมากขึ้นและอํานาจแห่งวัตจักรที่มันเคยหมุนใจให้เป็นบ้าอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปค่อยสงบไล่ตีตั้ ตะล่อมเข้าไปสู่จุดกลางคือใจเมื่อจิตสงบลงไปก็เรียกว่าตะล่อมกระแสของจิตเข้าสู่จิตกระแสของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องก่อกวนทำลายเราอยู่ตลอดเวลาให้หาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อสมาธิทาตีต้นให้สงบตัวเข้าไปจิตก็สงบล่มเย็นเมื่อจิตสงบล่มเย็นแล้วควรแก่ปัญญาที่จะพินิจพิจารณา เพ่อฆ่ากิเลสที่รวมตัวอยู่ในนั้นด้วยอํานาจแห่งสมาธิมัดมันไว้แล้วก็ตีคลี่ค ล, ค ล, ค ล, คลายออกมาพินิจพิจารณาแยกธาตแยกขันดังแต่อุปชัยที่ท่านสอนให้เกสาโลมมาณคาตันตาแตโจโญนี่แหละภูเขาทั้งลูกภูเราทั้งลูกคือตัวนี้เองตัวมันมัดมันหนึ่งตัวนี้เดาเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดี ยีเดศวัตวนมันเดินแถวนี้แหละเดินตามเกสาโลมานาขาตันตาตะโจของสัตว์โลกโดยมันเสียกสันปั้นยอขึ้นสะหมายว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรของเจริญรุงเรืองของน่ารักให้ชอบใจน่ากำหนัดยินดีมันเสียกสันปั้นยอขึ้นมาใหม่ตั้งตั้งที่หาความจริงกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยยิเดศเสียกสันปั้นยอ่อโดยอาศัยธาตุอันนี้แหละเป็นพื้นฐานแหน่ง การทํางานของมันประดิษฐ์สถานขึ้นมาใหม่ผิดอุบายวิธีการขึ้นมาใหม่ให้เป็นนิจจังคือความเที่ยงถาท้าวอนเสียสุขขังกลายเป็นความสุขไปเสียมีแต่ว่าจะได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วกลายเป็นอัตตาอันนั้นก็เป็นเราอันนี้ก็เป็นของเราผูเขาผูเราเลยคร้าวค้ากันมีแต่ของเขาของเราเต็มบ้านเต็มเมืองหาผู้ที่จะเป็นเราซะจริงๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเลยไม่เจอ เจอตั้งแต่เรื่องจำปรอมของกิเลสเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาสิ่งที่กล่าวมานี้ซึ่งได้พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะได้เป็นกติตัวอย่างพินิพิจารณาเรล่างนี้ด้วยปัญญาตีตะล่อมเขาไปแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นตามความจริงอย่างชัดเจนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหน เบสยซาลมานะขาทันตาตัดโจนี่ก็กองอสุภอสุพางกองป่าชา้าผีดิตทั้งนั้นพวกเรามันหลงป่าชา้าผีดิตตามอํนนานาจของกิเลสที่หลอกลวงต้มถุนไปเรื่อยๆนี่และวัตตะวนมันวนอยู่ตรงนี้แหละไปที่ไหนก็วนอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปอยู่ในพบใดชาติใดอันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปเรื่อยเป็นอาหาร อ, อันโอชาของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้ หลงงมงายกันไปติดกันไปเรื่อยเรื่อยเื่อจนกว่าจะปัญญาจะมีความสามารถนี่ปัญญานี่ก็เรียกว่าน้ําดับไฟประเภทหนึ่งพิจารณาคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหยาบก่อนแล้วก็พิจารณาอาการของจิตที่มันออกมาสําคัญมั่นหมายเช่นสังขารเช่นสัญญานันมามั่นหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกิรังถาวร อ, อย่างไรบ้างแยก ลงไปให้เห็นได้ชัดเจนตามเรื่องของปัญญาแล้วก็จะปล่อยวางไปโดยลําดับลันดาการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็คือปล่อยวางทุกข์นั่นเองปล่อยวางวัตจักนั่นเองจะปล่อยวางที่ไหนเพราะวัตจักหมุนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับปล่อยวางวัตจักความหมุนเวียนของจิตจิตก็ถอนตัวออกมาเรื่อยๆพิจารณาเข้าเรื่อยตั้งแต่ส่วนหยาบคือรูปร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายใน ภ า, ายในเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงของเขาของเราจากนั้นก็พิจารณาเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันก็เกิดขึ้นจากนี่อาศัยกันอยู่ต่างอันต่างเป็นความจริงด้วยกันเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งพิจารณาแยกแยะสัญญานี่ตัวสําคัญมันหมายสังขารเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวยิบยบๆ ตัวขนองคือตัวสังขารสัญญาตัวจับตัวมัดรัดหลึงเอาไว้ให้ติดแจอยู่กับความสําคัญมั่นหมายนั้นๆถอนตัวไม่ขึ้นก็แยกแยกออกพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมัด น, นี่เรียกว่าปัญญาเมื่อตีกิเด็สตะล่อมเข้าสู่วงจํากัดคือความสงบของใจไล่เข้าสู่ใจแล้วย่อมสงบทีนี้ปัญญาออกที่คลายพิจารณาตามสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้จนเกิด ความแก้วกล้าสามารถแล้วสติปัญญาก็มีความคล่องตัวขึ้นไปโดยลําดับลําดับนี่แหละเรียกว่าธรรมจักรเริ่มหมุนตัวหมุนทําลายวัตจักรซึ่งอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี่แหละเมื่อวัตจักรอันนี้ได้ถูกฟาดฟันหันแหลกจากธรรมจักคือสติปัญญาเป็นสําคัญอยู่โดยลําดับลําดาแล้วย่อมอ่อนลงอ่อนลงตัวตายไปก็มีตัวสลายไปก็มี ตัวที่ยังมีอยู่ก็ไม่พ้นที่จะถูกทำลายไปโดยลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นเพียงไกลแล้วย่อมมีแต่การฟาดฟันหั่นแหลกโดยไถ่เดียวไม่มีคำว่าอ่ อ, อนข้อย่อหย่อนมีแต่ความว่าหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เรียกว่าธรรมจักมีกำลังวิวัตจักรเริ่มฉายแสงเข้ามาวิวัตตะได้แก่ความดูดพ้นนี่เริ่มฉายแสงเข้ามาหาธรรมจักที่กาลังทางานอยู่เวลานี้ หมุนตัวเข้าไปหมุนตัวเข้าไปพินิษฐ์พิจารณาไปโดยลําดับลําดารู้ได้ปล่อยวางได้โดยลําดับละเอียดเข้าไปขนาดไหนกี่เด็ดละเอียดโดยลําดับสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปเหมือนไฟได้เชือ้อเชื้อไฟส่วนหยาบสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟก็หยาบแสดงเปลวเต็มที่เมื่อเชื้อไฟละเอียดลงไปสติปัญญาก็ อ่อนตัวลงละเอียดลงไปโดยแบบแต่ไม่ใช่อ่อนแอคืออ่อนเปลวลงไปมีแต่ความทราบสร้นมีแต่ความซึ้งภายในจิตใจเห็นได้ประจักษ์กับตัวเองของผู้พิจารณาของผู้รู้ผู้เห็นด้วยอัดด้วยผู้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองนั่นแหละนี่ท่านเรียกว่าธรรมาจักเริ่มทำงานธรรมาจักกําลังหมุนตัวเข้าไปวิวัตจักก็เป็น กระแสขึ้นมาแล้วโสตะคือกระแสของวิวัตจักรเริ่มหมุนตัวเข้ามาหากันแล้วพิจารณาแยกแย่ให้เห็นตามหลักความจริงสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไล่เข้าไปแท้จริงแล้วรูปมันก็สักแต่ว่ารูปมันไม่เป็นกิเลสรูปไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาไม่ได้เป็นกิเลสรูปทุกประเภทอาการของขันอาการของธาต คือรูปของเราเนี่ยตั้งแต่เจสาโรมานะขาตาตาโจอาการสามดับสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองก็ดูกตลอดตับไตเส้นผูกมันไม่ใช่กิเลสส่วนตัวกิเลสแต่แท้มันต่อเนื่องมาจากขันคือความสําคัญมันหมายนี้ก็ไม่ใช่กิเลสนี่ตัวตัวที่บ่งการออกมาต่างหากมาบังคับสิ่งเหล่านี้ให้สําคัญมันหมายไปต่างๆนั่นคือตัวกิเลสนั่นทีนี่ไล่เข้าไปไล่ดูรูปหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูเวทนาหากิเลสก็ไม่มี อะไรดูสัญญาุกสังขารตัวสําคัญมันหมายตัวปรุงตัวแต่งให้เป็นกิเลสบัญญัคิขำบัญญัติขำนั่นก็ไม่เป็นกิเลสดูสัญญาก็เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสจิตมันก็ไหลเข้าไปหาตัวที่ตัวที่เป็นกิเลสมันออกมาจากไหนนั่นล่ะปัญญาฟังให้ดีนะไหลเข้าไปตัวมันใสมันอยู่ข้างในตัวมันผลักมันดันมันอยู่ข้างในนั่นดันออกมาให้รูปก็เป็นกิเลสเวทนาก็เป็นกิเลส สัญญาสังขารจิญยานเป็นกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดเพราะจิตตาวิชามันเป็นกิเลสอยู่ภายในมันผลักดันออกมาเราไม่เห็นมันนส่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกิเลสไปหมดโนทั่วแดนโลกธานนี่กลายเป็นกิเลสไปหมดเพราะอํานาจแห่งอวิชชาตัวเดียวนี่เท่านั้นเมื่อเรายังไม่รู้มันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นท่านถึงให้ไล่ต้อนเข้าไปกวาดต้อนเข้าไปพิจารณาครอบโลกธาตุมันควรจะไหวทั้งโลกธาติก็ให้เห็นด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาของเราแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งหาอะไรเป็นกิเลสก็ไม่มีไม่มีอะไรเป็นราคะเป็นโมหะเป็นโทสะมันมแีแต่ทางเดินของกิเลสเท่านั้นทางเดินของกิเลสเท่านั้นไล่เข้าไปถึงเล็บถึงรูปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรเป็นกิเลส ที่กิเลสที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันก็ไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดของเป็นธรรมชาติที่เป็นกิเลสเองมันจะไปไหนมันเขอยู่ที่หัวใจนั่นแหละหัวใจทั้งดวงคืออวิติตาวิชาครอบไว้ทั้งดวงนั่นไล่เข้าไปตรงนั้นเมื่อไล่เข้าไปตรงนั้นแล้วสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งเป็นขั้นละเอียดแหลมคมมากก็จะทนได้ยังไงเรื่องกิเลสทั้งหลายเคยทำลายมาม า, มากต่อมา อวิชชาเป็นอะไรทำไมเป็นกิเลสมันก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งควรแก่สติปัญญาที่จะต้องฟาดฟันหั่นแหละ ก, กันให้แตกกระจายลงไปได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงจาะลงไปตรงนั้นนั่นแหละตัวกิเลสแท้อยู่ตรงนั้นฟาดลงไปหากิเลสแท้อยู่ตรงนั้นกิเลสตัวนั้นทังทลายแล้วอันใดไม่มีไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นในสาแดนโลกธาตุไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีไม่ว่ารู้ว่าเสียงว่ากลิ่นมาลดภายนอก ไม่ว่ารูปเวทน า, ทนาสัญญาสรงขานวิญญาณภายในไม่มีกิเลสไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นมันเป็นกิเลสธรรมชาติอันเดียวนี่เมื่อไล่เข้าไปตีเข้าไปด้วยอํนานาจของธรรมจกักรตรีเข้าไปจนกระทั่งถึงวิวัตจกักรเมื่อวิชาพังตรายลางไปแล้วก็เป็นวิวัตจกักรแต่ก็จะ ก, กระจายไม่มีอะไรเหลือพ า, นายนใจนั่นแหละท่านผู้หลุดพ้นท่านพ้นตรงนั้นพ้นจากวิวัตพ้นจากวัตจักรวั ต, ว, ตวนพาให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ ตลอดเวลามานี่พ่นที่หัวใจแต่และดวงละดวงนั้นนี่เราก็ผู้ปฏิบัติก็กําหนดพิจารณาเราก็เป็นนักโทษแห่งวัตจักเช่นเดียวกันกับโลกทั่วๆไปแต่มีโอกาสมากยิ่งกว่าบรรดาโลกทั้งหลายเราเป็นตนพระหนึ่งเป็นนักปฏิบัติยังรู้ช่องทางแห่งการประพฤติปฏิบัติการชาระสัสาังการแก้กิเลสการสังหารกิเลสมากยิ่งกว่าประชาชนญาติโยมทั้งหลายทําไมจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ละ่ะ ต้องเอาให้จริงให้จังนะักปฏิบัติฟาดลงไปอย่างที่ว่านี่ให้แหลกแตกกระจายลงไปเมื่อเข้าถึงขั้นวิวัตจกักได้แกวิชาพังทลายลงไปแล้วเราไม่ต้องถามหาอะไรที่ไหนโลกกระทัดนี่ไม่มีนั่นฟังสิผู้เดียวนี้เท่านั้นไปหมายว่าอันนั้นมีอย่างนั้นอันนั้นดีอย่างนี้นี่ชั่ว อ, อย่างนั้นดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าอะไรว่างหมดอืม ว่างจากจัดจากบุคคลว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสิ่งที่จะให้เป็นเจตเดชว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นจัตเป็นบุคคลว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นทางเดินเข้ามาเพื่อความเป็นเจตเดชนี้ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้ว่ามีก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีก็ไม่หลงความว่าไม่มีเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นเจตเดชเมื่อ กิตตาวิชาได้พางลงไปแล้วจิตจึงเป็นธรรมล้ว น, วนมเมื่ออยู่ในขันนี้ก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ออกจากขันไปแล้วท่านเรียกว่านี่พ่านก็มีเท่านั้นนี่เรละวัตจักวิวัตจักอยู่ตรงนี้ให้พิจารณาลงตรงนี้อย่าไปตื่นลมตื่นแรงแดดฝนฟ้าลมต่างๆต้นไม้ภูเขาหญิงชายทั่วโลกดินแดนว่าที่นั่นจเจริญที่นี่จเจริญมันจเจริญด้วย วัตจักรทํางานทั้งนั้นเวลานี้มันกําลังทํางานเล่งเต็มที่เลยได้อันนี้แล้วไม่พอได้อนนั้นแล้วไม่พอได้อันนั้นแล้วไม่พออยากได้นั่นอยากได้นี่อิเล็ตมันผักมันดันให้ดีดให้ดิ้นอยู่ไม่มีวันมีคืนมีมาแล้วมากเท่าไรความหมายไม่มีในความมีของตนได้มากได้น้อยไม่มีความหมายความหมายไปอยู่กับของไม่มีหนุ่จะเอาให้มีจะเอาให้ได้ความหมายไปอยู่กับของไม่ได้มเพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนมากอืม ความโลภนี่ยเป็นตัวสําคัญเป็นภัยสําคัญแล้วความโลภนี่มาจากไหนมาจากราคาตันหาเป็นต้นเหตุกันสําคัญอันนี้เป็นตัวหมุนเวียนอย่างหนักหน่วงทวงจิตใจมากที่สุดฟ้าดินถ ล, มล่มนีธรรมชาตินี่ทํางานถึงขนาดฝ้าดินถลม่มฝ้าตอนนี้พังลงไปก็ฝ้าดินถล่มเหมือนกันนี่เมื่ออันนี้ได้พังลงไปแล้วความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีเบาลงเบาลงเลงจนกระทั่งถึงอวิชชาดับไปแล้วหมด ไม่มีอดไเหลือเลยนั่นแหะอวิชาปัจจญาสร้างขารากลายเป็นอวิชายตเววะเสสสเวลาคานิโรธาสร้างขารนิโรโทรจนกระทั่งนิโรโทรโหติเนี่ยดับเวลาดับดับหมดดั บ, ดบพร้อมกันหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ท่านพูดไปเป็นเป็นแถวเป็นแนวไปเวลาปฏิบัติเราจะปฏิบัติเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับเราไปนับกิ่งไม้เนี่ย ต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งมันก้านสาขาดอกใบมันมากขนาดไหนนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่สิ้นไม่สุดถ้าเราจะให้มันเสียจสิ่นไปด้วยกันก็โค่นต้นไม้นั้นลงถอนทื้ดขึ้นมาทั้งรากแก่รากฝอยพร้อมกันแล้วต้นไม้เหล่านั้นจะเป็นการอันว่านับเรียบร้อยแล้วตายด้วยกันหมดนั่นนี่อวิชชาจะเตยตเ ว, วเวสสวิดาคาก็เหมือนกันเมื่อ อวิชามันดับแล้วเท่านั้นแหละนี่แหละลากแก้วคืออวิชาดับลงไปแล้วอันนั้นก็ตะเวระไปเรื่อยไปเลยนิ โ, โรธโหติไปหมดเมื่ออวิชายังอยู่ก็สร้างคาราวิชาบิญญาณงวิญญาณปฏิญานนามรูปังเรื่อยไปถ้าธรรมชาตินี่ยังอยู่กิ่งก้านสาขาดอกใบก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีในอวัยวะของตนมานั้นมีด้วยกันหมดเมื่อทีตราวิชายังมีอยู่ เท่ากับต้นไม้นั้นยังทรงต้นทรงลำอยู่อะไรมันก็ผีดอกออกผลขึ้นมาเรื่อยๆของมันนั่นแหละมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเวลาท่านอธิบายท่านแยกแยกไปเวลาปฏิบัติเราจะทําอย่างนั้นไม่ได้เป็นอันขาดฟังแต่ว่าเป็นอันขาดต้องฟาดลงในวงปัจจุบันนี้เลยคือค้อต้นมันเนี่ยเราอย่าไปมัวดูต้นต้นกิ่งนั้นกิ่งนี้ใบนั้นใบนี้ให้ดูต้นฟันลงไปที่ต้นหรือขุดลงไปที่รากเง้านี้พ่อรากเง้านี้ถอนพวดขึ้นมาแล้ว นับไม่นับมันก็ตายด้วยกันหมดนี่ก็เหมือนกันะ่ะอวิชชาอาวิชชาปยาสร้างฆาลาสร้างฆาลาปยายิญญาดังไม่ต้องไปนับมันขุดค้นลงไปนี่สบุรังตันหัง่งกับหะนิชชาโตไปนิบุโตถอนตันหาพร้อมทั้งรากคืออวิชชานี้ทิ้งหมดแล้วนิชชาโตความหิวโหยดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นหมดนี่ละเมื่อถอนรากแล้วเราไม่ต้องไป ถอนเรากิ่งก้านสาขาดอกใบมันตายไปเรือยกันหมดนี่เราพบชาติดับที่จิตนี่นะไม่ดับที่ไหนนะวัฏจักรก็คือจิตของสัตว์โลกแต่และดวงละดวงนี่พิจารณาให้ชัดเอาให้เห็นจริงจังพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงท่านรื้วัฏจักออกจากพระไทยท่านโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วก็ประกาศจังววนให้แก่บรรดาสาวกตลอดสากทั้งหลายมาถึงทุกวันนี้ธรรมะเป็นโมฆะแล้วเหรือจะเป็นผู้มีค้ำมีราคา นานแน่ยิ่งกว่า ต, ตั้งแต่กิเลสนั่นเหลอเราจึงไปสนใจตั้งแต่กิเลสเวลานี้โลกมันสนใจหันหน้าเข้ากิเลสนั่นสิหันหลังให้ทำมันถึงเดือดร้อนมากใครอยู่ที่ไหนเดือดร้อนตเต็มบ้านตเต็มเมืองแต่แต่กิเลสมันให้มองข้ามนะบ้านนั่นจเจริญบ้านนี้จเจริญเมืองนั่นจเจริญเขาเจริญคนนั่นเจริญเนี่ยเขามียศถาบรรดาศักดิ์นั้นเขาจเจริญเขาหน้าเคารพนับถือน่าอัจจันย์หน้าอิจฉาว่าไปว่าไปความจริงไฟที่อยู่ใน วัตจักคือหัวใจของแต่และดวงระดวงนั้นเป็นอย่างไรนี่ถ้าดูนี้แล้วจะง่ายทันทีเลยโลกไหนหน้าโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาเอาความเจริญมาจากไหนนอกจากตื่นลมของกิเลสให้เป็นบ้าไปแล้วยังจะตื่นต่อไปอีกนะถ้าไม่หันหน้าเขาทำจะม่อะไรแล้วเป็นอันวา่า วันนับวันเดือดร้อนวุ่นวายมนุษย์มีมากเท่าไรมนุษย์นี่รู้ภาษีภาษารู้ภาษีภาษาในการกว้านหากิ้เล็ดมาเผาตัวเองอีกด้วยนี่เลยยิ่งยิงเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราเป็นผู้มีธรรมก้านเข้ามาธรรมะฟันลงไปกิ้เล็ดจะให้มันมีเหลือหรออยู่ภ า, ายในจิตใจนี่เอาให้แหลกแตกกระจายแล้วไม่ต้องถามหาอะไรเละที่นี่คําว่าพออยู่กับความสิ้นขี้เล็อย่างเดียวเท่านั้นพอหมด สิ้นจิเลก็คืออวิชชาปยาสร้างคารานี่ยกลายเป็นอวิชชาอัตเวอเซสีราคานิโรโทโหติแล้วดับหมดไม่ต้องการอะไรเดียนั่นทธรรมะนิชขาโตปรินิพุโตดับความหิวความโหยความ็หายเจ้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นละ่ะบรมสุกอยู่ตรงนั้นดับพบดับชาติดับตรงที่วัตจิตวัตจักนี้ให้เป็นวิวัตจิตวัตจัก ธรรมมาก็มีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เราไม่เห็นธรรมมเป็นสำคัญยิ่งกว่ากิเลสมันสิเวลานี้โลกมันถึงได้ร้อนถ้าเลยเลยชื่ออัจชื่อธรรมหมุนตัวเข้ามาสู่อัจฉธรรมไม่ว่าคาวาะไม่ว่าพระวา่าเนรคารวะก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของคารวะมีศีลมีธรรมอย่างน้อยมีศีลห้าเป็นเครื่องประกันตัวเป็นคุณสมบัติประจำตัว แล้วไปที่ไหนก็สงบร่มเย็นไปที่ไหนสงบร่มเย็นประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคือกิเลสมันอยากตรงไหนนั่นเนี่ยกิเลสอยู่ตรงนั้นมันอยากตรงไหนส่วนมากมีแต่กิเลสความชั่วช้าละโมก อ, อยู่งั้นดัดเข้ามาดัดเข้ามาหากห้ามเข้ามาเรื่อยๆแล้วปฏิบัติธรรมเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่ง ม, มีความเคยชินต่อการประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นตามฐานะตามเพศ ตามไว้ของคารวะ ส, ส่วนา้า่อ็ตั้งมาตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเองกําจัดกิเลสให้หมดุมดมอดออกไปจากจิตใจหมดแล้วเราจะหาความสุขที่ไหนบนก็ไม่บนไม่มีอะไรจะมาบ่นแล้วนอกจากพูดเรื่องธาตุ ด, ดังขันว่าวันนี้เหนื่อยวันนี้นว่ากันไปตามกิริยาของขันเทานั้นถ้าไม่ได้ว่าอย่างถึงใจเหมือนกิเลสมีอยู่ในใจนะถ้ากิเลสมีอยู่ในใจอะไรถึงใจทางนั้นถึงใจทางนั้นโลกยึง ได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะความถึงใจทุกอย่างเนื่องจากกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจถอนกิเลสออกโดยชิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรถึงใจมีแต่ธรรมเท่านั้นทำกับใจเป็นนันเดียวกันนั้นขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติผมก็เป็นห่วงเป็นใยปีนี้ตั้งแต่ปีสามแปดก็มานี้ไม่เคยได้ไประชุมเทศให้หมู่เพื่อนฟังเลย ทั้งๆที่มีความเมตตาสงสานตลอดเวลาขั้นก็นมากําหนดดูท่าดูขันอันนั้นก็ อ, อ่อ น, นอันนี้ก็ยุบอันนี้ก็ย่อไปคิดอะไรอะไรไม่ได้เรื่องได้แล้วแล้วก็ปล่อยไปวันหนึ่งวันหนึ่งให้ผ่านไปผ่านไปสุดท้ายก็หดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาร่างกายช้งขานี้หดตัวเข้ามาเองนะค่อยเข้ามาเข้ามาความรับผิดชอบทั้งหลายซึ่งเป็นสันทัติยานมันกหนาา็หดของมันเข้ามาหดเข้ามาเข้ามาสุดท้ายมาดูแต่เจ้าของ ดูเจ้าของจะดูเอาอะไรก็ไม่เห็นว่าจะเอาอะไรดูสภาพของขันอันนี้ขันนอกขันในดูขันเขาดูขันเราแล้วเมื่อมันหมดสภาพมาแล้วก็สลัดตั้วทีเดียวสันัันไปอืเวลานี้ยังมีชีวิตอยู่มันก็อดห่วงเพื่อนฝูงไม่ได้จึงแนะนําต่างสอนให้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติตัวให้ดีคำว่ากิเลสย่าให้มันมาแยมเป็นอังคารนะกิเลสกิเลสนี้มันแฝงตัวขึ้นมากับพระกับเนนเหล่านี่รวดเร็วมากนะ กิเลสนี้จะมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาทันทีทําตามไม่ทันไอ้อักิเลสออกก่อนแล้วอักกิเลออกก่อนแล้วกิเลสอยู่ปากข้อธรรมะอยู่ในค้อมยังนอนไม่ตื่นเลยกิเลสเอาไปกินซะก่อนซะก่อนอันนี้เรามันสําคัญที่ไม่ทันกิเลสนี่แหละแล้วการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรทีเวลาแล้วธาตุขันก็อนุไว้ได้เพียงเท่านี้ขอทุกๆ ท, ท่านตั้งลน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตกำจัดกิเลส ซึ่งเป็นตัวภัยนี่หมดทิ้งไปจากจิตใจคำว่ า, าบรมสุขนั้นไม่ต้องถามกันแหละเหมือนพระพุทธเจ้าแล ะ, ะพระอรหันต์ท่านท่านไม่ได้ถามกันเลยสิ่งจุดที่มุดหุดพ้นพอแล้วพอแล้วเอาลอะพอเท่่ทีแรกก็เท่าไหรมาล้วสุดตั้งาเลยคันฟันไปใหญ่แล้วจะขว๋งเอยอะที่เนี้ยไปแล้วมันมาสะท้อนนะสะท้อนกลับมาจะของพอสะท้อนมาแล้วก็หยุดแหละ ลงสารหมูม่เพื่อนมีทำงานอยากให้ด้วยเห็นสิ่งที่ที่แสดงอยู่เหล่านี้นะเพราะเอามาแสดง ส, สดๆร้อนๆ น, นี่นะ่ะไม่ได้ไปหาหยิบหายืนมาจากที่ไหนที่ไหนนะว่าให้มันเต็มสัดเต็มส่วนอย่างนี้จะว่าไงก็ปฏิบัติไปนี้มันรู้อย่างนี้จะให้ว่าอย่างไรอีกไม่ได้เราจะพูดอย่างนั้นอีกนะหรือใครว่าเป็นการโกวัดหรือเวลานี้มันเป็นนี้เป็นการฉุดการลากหมู่เพื่อนให้เป็นที่น้อยเนาะตาใจหว่าง ทำมาพระพุทธเจ้าม่เป็นอื่นแล้วให้เป็นที่ตายใจหมายความว่าอย่างนั้นสจดละล่อนอยู่กับหัวใจของเราเนะี่ย<น>มีคือพ่วงก็มากเราก็ดูหัวใจตัวเองนะเวลาครูอาจารย์มาอยู่เป็นอย่างหนึ่งนี่ไม่ได้นะมาทราบเราต้องการหนีสวัสดิ์สันติเราไม่เหมือนใครเรกินทุกอย่างนะ ไม่เร้เนี่ยถิงทุกอย่างถอนจะไม่จะหมดไส้หมดพุงยังจะมาขายหน้าอย่าง้เห็นผลออกมาแบบนี้เราดูไม่ได้นะถ้าใหม่ก็องให้สมกุญแจอบรมีิมาอยู่ด้วยเราเป็นเวลาที่เราไม่อยู่ก็ได้เนี่ยอยงไห พ่อนี้อบรมมาดูเพื่อนฝูงนะพวกคี่มาใหม่ให้ดูกันให้ดีนะจะมาเกี่เกลี่ยกลางๆไม่ได้นะหูมีตามีให้ดูให้สังเกตทุกอย่างปฏิบัติตัวภาพไปไปด้วยพูดเป็นหัวหน้าหนักใจนะเราวนี่มันเคยหนักมาล้วจริงเข็ดเลยอไหมเข็ดจริงๆอ๋อทุกมากจริงๆอะ เหมือนจะเป็นบอยกลางเดือนในวงคณะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อให้ท่านรับความร่วมเย็นพอเราไปเองอย่างนั้นนะี่นะได้ท่านกับเกระเช้านด้วยยังไม่มันขายหรือเปล่าพอท่านท่านถึงมักจะถามถึงเราไปเมื่อ่天นนะถามแนละ้วอันหานั้นมากแล้ว <laughs> ท่านคงดูพระเนร์นเนะ่เวลาเราอยู่เปนยังไงเวลาเราไปเป็นยังไงพราะพนเนนกับผมมาตื่นผมไม่ได้นะ อ้าพูดถึงเรื่องความกลัวแล้วพระเนี่ยกลัวกลัวผมรองพระแม่กุญแจเนี่ยผมเอาจริ่งกระจังทุกอย่างไม่ทําอะไรลทำลํำอะไรเป็นตัวอย่างทุกอย่างเลยเหมือนเด็กเนี่ยหน้าที่การงานเราที่วิ่งเต้นป๊าป๊าป๊าป๊า ป, า ป, าปาพระเนี่ยมันมีนี่เก้งเก่งางก่างมากขวางหูของตาดูดูไม่ได้นะ หูมีตามีมันก็ไม่ดูห น, นักจนเข็ดว่างั้นนะไม่ใช่หนักธรรมดานะตาก็ต้องเร็วหูต้องเร็วทุกอย่างต้องรวดเร็วไปตามๆกันเกี่ยวกับผ้ากำเนนเวลาอิติเดชกราบเกิดขึ้นกับเล่า น, นั่นละ่ะท่านมอบให้เราเลยเป็นคนดูแลพ้านเนนองไหนควรจะตัดอะไรตัดอะไรอะไรเพราะตะกอนผ้าไม่เหมือนทุก ว, วันนี้นะผ้าหายาก ถึงยังไงก็ตามก็เรียกว่าอติเรกกราของท่านมากถึงพนเนีนไปก็ทั่วถึงกันทั่วถึงกันหากผ้ามันไม่มีมากเหมือนทุก ว, วันนี้ทุก ว, วันนี้โรงงานไม่กี่โรงงานกันไม่รู้ความสงครามเลิกใหม่ๆซะด้วยเนี่ย <c oughs> เราเป็นผู้จัดแจงเครื่องบริโภคหริขานหนควรจะให้องคไหนองไหนเราเป็นคนดูแลท่านมอบให้เราถ้ามาดูแลนะเท่านั้นแหละ ทิ้งเลยที่นี <c> ่ท <oughs> ่าไม่สนใจล่ะนู่นเวลาจะถามมีโอกาสท่าหนหึงถามว่าใครได้อะไรอะไรบ้างเราจะมีโอกาสนะถ้ามีโอกาสทนะ่านกา็ไม่ถามเพราะท่านไม่เป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ผม <c oughs> <c oughs> โควกขันเวลาจัดในหมู่เพื่อนนะท่านรู้เองล่ะจอมปราดไม่รู้ได้ไงใครจะไปสอดส่องมองทะลุเหมือนจอมปราดล่ะ สมัยสมัยปัจจุบันเนี่ยผมยกให้เลยนั่นเป็นไฟหรือไปอะไระนั่นๆ น, น, น, น, นะแ่ดูทิไฟไฟรถนั่นแหละสายมาจัดยังให้หมู่เพื่อนผมให้ผมจัดจริงๆผมไม่สนใจนะผมไม่เอาอะไรเลยเวลาผมไม่อยู่นี่ยส่วนมากท่นมากจะถามพระ ออท่านหาได้อะไรไหมล่ะท่านไม่เอาอะไรอเออพระเนนเหล่านี้ก็เป็นคนหรือเป็นอะไรนั่นท่านยังจัดได้อย่างนั้นอย่างนั้นพระเนนไม่ได้ไม่ได้คิดบ้างเ ห, หรือมันนาบแล้วสิหน่นะข่าวนี้ได้อะไรมานี่กคือกองเพลินว่าจริงๆริงนี่นะโอ้ผ้าเป็นไก่เป็นไ ก, เนไก่เป็นไม้กองเพลินว่าใครมาแตะไม่ได้แต่ท่านมาหาไ ม, ามา่มาเลือกเอาก่อนนู่น่ะเอาขนาดนั้นนะ ผมเราไม่ลืมนะผมจะรู้จักความสูงต่ำของท่านกับพ่อที่เนี่ยแล้ท่านทําเท่าเหมือนปลากระลูดนี่กับผมเนี่แบ่งอยู่วางเพลินตะลึกไว้เอาไว้ในห้องท่านด้วยนะนั่นเดีดู ท, ที่ห้องท่านเคยเก็บสังสงมอะไรเมื่อไร่แต่เวลาเช่นนั้นท่านทําได้นะอท่านทําท่านละไว้เพื่อผมให้ผมเลือกของแต่ก่อนผมเอาอะไรแล้วต่างนั้นเขาเลาะเลยแบบนี่นะ ผมยังไม่เลือกก่อนมาได้นี่ต้องไว้ท่านสมานเลยโอจัดให้หมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายจะของไม่ได้สักกิ้นเลยนี่มีอย่างเลยนั่นเอาแล้วนะมบอกท่านไปเอาแล้วมันเป็นเรื่องของท่านเอง้ะเอาอีกแล้วนะขนาบอีกเรื่องของเรายังโง่ตายเราเหรอนั่นพอมาก็กองเอ้าเอาเลือกเอาเฮ้ยให้พระไปขนออกมาเอ้าเลือกได้ได้ได้มดละมืดแล้วท่านนี้ เป็นผ้าไก่ผ้ายังจนว่าผ้าไหมบก็มีหลายเอาวัดดูวัดแป๊บเขาขอของเาออกใชผ่าสามผืนตั้นันไก็จ้กว่าเขาออกไปยังก็เยอเาใส่ผ้าสามผืนเป็นประจำมันมาพิลึกพินต่มายูวัดตาบรรดาเล้ว้าจว่ายี่สิบผืนด้วยสามสิบผืนวัดวัดมีมันว่าเก็บสันแวมาเอาเอาไปนั่นเอาไปนั่นก นเนไหนมสูงกว่าน้นทหาเนี่ยไปไปยืนนั่นที่หนักี่ก็จะเอานีไปไปยืนดูหนัไปมันจะสูงกว่านั้วะเนี่ยตาพุ่นได้พุ่นได้เนี่วไปยืนปั๊บเอาอะไรดินสอฉีดฉีดปั๊บงานไหนผมไปยืน่กนยืนเป็นประทับองผมไปยืนไหนผมอยู่ไหองหารไหนอยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงนี้ ท่านข้าไปเทียบปับ๊บวะเทียบเอาเี่ยงแล้วของเรานี่เรื่องของเรา น, นี่ไหนท่าหายไหนนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่จะไม่ใช่ น, นี่จะไม่โอ้โหแต่จะว่าดีว่าแย่กันแล้วโอ้โสูงกันนี่หน้ท่านกินกับพวสูงกันหลายมันเลยหาะมันก็เป็นหลักฐานที่เทียบรูปร่างเล็กผมกับสูงก็ผลอยู่หลายอยู่มันเรือ่อแล้วมันเอาจริง่ย โอ้ผมไม่เคยเห็นผมพูดจริงๆนะบอกว่าพาดีแถ้าเราคบกับเขาเข้าขมาในทัวร์ประเทศไทยมามีไพเหมือนไง ห, หาที่ต้องติีว่ได้เลยนะีหมดจริงๆนะผมไม่ว่าล่องสุดกิ่ได้แมว่าให้ตายจะตายเลยเลยเขาร่องถึงถึงตอนนี้เดี๋อวบ๊กผู้ใดลยเอามาได้ได้มือ น, นั่นชีวิตของเรามันเป็นต้องการเอาเลยเลยว่ ม, มีคําว่าจะได้ พอเวลาคนมอระพับจะนำตาพังมดแล้วอ๋อมดมืดอยู่หะล่ะนม่เข้าใจเพาปัญหาขึอนะเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งเมื่อไรแล้วของปัญหาปัญญาติว่านหมุนตัวเป็นเกี่ยวยุ่นเป็นปหาเป็นกาบเลี้ยนเป็นเล่นเป็นยางไงยัไงเป็นแบบฟังแล้วกาเลียนแต่เราเป็นสายปา๊เดียวเท่านั้นล่ะ ลงปุ๊บเลยกาป้วปาไปเลยบ่าวางทีแม้แต่ะผู้บนรูุก็เอาบรรลุมันต่างกันนะเอาง้มไปง้มมาอยู่หาว่าเอ า, าได้พอคนใส่ป้าวเดียวจับไลยปุ๊บเลยไปเลยลงเลยมันอยู่งยังงั้นตลอดเวลาคนมาสินจากมันก็เหมือนว่าขาดสะบันะ้นแล้วผมขอโทษโทษโทษโทษยื่งั่นแต่กญญาเ น, น้แตกสันสั่นเส้นขอกันบทที่สี่ปีห้าปี ขอกันเพราะติดก่อนเป็นเสียนี่แตกหลายดีดีดพรเนี่แตกกระจายหลายเสีย <c oughs> หัวใจยุ่หยินห น, น, นี่ยมาใส่หลังเห็นไพื่อเบ้างมึงค่อยถามพาตะกอนรดมาจยางนั้นท่านปัญญาจ ะ, จะจะอธิบายให้เราเบิดฟังก็ได้นะอธิบายให้เราเบิดฟังก็ได้ ไปอธิบายที่นั่นกด็ดดบไปนั่นะมานั่งอธิบายฟังถ้าวันหลังมันจะลืมนี่นะไปอธิบายจะไปอธิบายตรงไหนที่จำได้เนี่ยเวลาเนี่ยเอาเก็บออกเริกแล้ว